ใดจิตจดจอ่อคับแค้นอยู่กับคนใจแคบคนไม่เปิดใจรับฟังใครเมื่อนั้นใจคุณจะแคบตามไม่อาจเปิดใจรับความสุขได้สังเกตดูเถอะเมื่อคุณย้อนคิดถึงสีหน้าคำพูดหรือพฤติกรรมดิบๆของใครที่สองว่าเป็นคนใจแคบ ประเภทไม่รู้ละพูดไม่ศึกษารายละเอียดแต่ชอบวิจาร์ฟังใครด่ามาอย่างไรก็ด่าตามไปอย่างนั้นหรือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางความถูกต้องของจักรวาลไม่เห็นหัวใครตัวเองดีอยู่คนเดียวเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกจุกเสียดแน่นอกคิดอะไรดีๆไม่ออกอยากด่าให้เจ็บหรืออยากหาทางเล่นงานให้สำนึก ใบหน้าของเขาหรือเธอปรากฏเด่นชัดฝังแน่นอยู่ในหัวราวกับเป็นมโนภาพของตัวคุณเองสำรวจใจตัวเองไม่พบสิ่งใดอื่นนอกเหนือไปจากความเกลียดชังอันดำมืดนั่นแหละสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของจิตเมื่อใดจดจอ่อผูกยึดโยงใหญกับคนใจแคบเมื่อนั้นจิตจะคับแคบตาม เรากับเป็นคนคนนั้นเสียเองแค่ฟังคำพูดไม่กี่คำของคนใจแคบคุณอาจรู้สึกว่าถูกเสียดแทงถึงกับฝังใจจำย้อนคิดย้ำนึกได้หลายวันหลายเดือนขอให้เร่งรู้ตัวเถอว่าเวลานั้นจิตของคุณรับพิษมาจากจิตที่มีพิษแล้ว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 นั่นเพราะยิ่งคุยกับคนพานมากขึ้นเท่าไรใจคุณยิ่งรับเชื้อพานมามากขึ้นเท่านั้นถ้าจำเป็นต้องโต้ตอบตามหน้าที่หรือต้องอาศัยอยู่ร่วมกันต้องพูดคุยกันเรื่อยเรืเพราะเป็นคนในตระกูลคุณจำเป็นต้องหาคนใจกว้างไว้เพื่อยึดเหนี่ยวชนิดที่นึกถึงเมื่อไหร่สบายใจเมื่อนั้น คนที่คุณคิดถึงคําพูดคําจาแล้วรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าใจกว้างขึ้นทันทีคนแบบนั้นแหละเหมาะจะเป็นต้นแบบทางใจของคุณหากมองรอบตัวไม่รู้สึกไม่สัมผัสกับใครแบบนั้นเลยก็ลองมองดูพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์ของความใจกว้างสูงสุด ความมีน้ำจิตเมตตาปรานีภัยสารความไม่มีใจเพ่งโทษใครอย่างไรเหตุผลคุณจะรู้สึกว่าความปรุงแต่งทางใจดีขึ้นกว้างขวางกว่าเดิมเมตตากว่าเดิมสบายอกสบายใจกว่าเดิมเพียงเพราะได้มองสัญลักษณ์แห่งจิตใจอัน ง, งดงามมีความเป็นพุท ธ, ธะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้า จึงแนะให้มันระลึกถึงความประพฤติปฏิบัติของพระองค์คือพุทธานุสติแนะให้มันระลึกถึงคําพูดคําจาของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีคือสังขานุสติตลอดจนคุณธรรมของผู้ควรเป็นเทวดาคือเทวานุสติทั้งหมดทั้งปวงก็เพราะจดจอ่อกับใจแบบไหนใจคุณ จะเป็นแบบนั้น